ฐานาที่ผมเองก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทก็ต้องทําหน้าที่จันลองพุทธศาสน า, าไว้พุทธบริษัทสี่ก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผูเองก็ทําหน้าที่แทนอุบาสกเผยแผ่พุทธศาสนาวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ทําบุญทํากุศลได้มาถวายความรู้กับพระกุณเจ้าก็ถือว่าไม่ได้ง่ายนักหรอกที่ คนที่เป็นคาวาะญาติโยมจะได้มาคุยกับพระกุณเจ้าแบบนี้พระหนุ่มๆ น, น้อยๆก็อยากจะคุยมากแม้ว่าจะบวชไม่นานแต่ก็มีชีวิตที่อีกยาวไกลทุกครั้งที่ผมได้เจอพระกุณเจ้าหลายรูปหลายองค์นี่ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่ผมพิการใหม่ๆผมประสบัตเหตุตั้งแต่สมัยปีพศ .2500 ย2สองตอนนั้นอายุยี่สิี่ปีเรียนจบใหม่ๆรับราช ก, การได้เพียงสามปีนะก็โชคไม่ดีละประสบบัติเหตุขณะที่กำลังสอนวิชาว่ายน้ำสาธิตการกระโดดน้ำลงไปในสระเนี่ยพลาดท่าทำให้ศีรษะเนี่ยไปกระแทกถึงพื้นก้นสระเยก็มีผลทำให้กระดูกต้นคอข้อที่ห้าเนี่ยแล้วทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย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 เสาพที่เสื่อมเตัวเองไม่ได้จ น, นถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มต้นบานเนี่ยชีวิตแบกแต่ความทุกข์เอาไว้ไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรวิชาความรู้ที่เคยเรียนมาเนี่ยช่วยใจไม่ให้ทุกข์ไม่ได้เลยผมมีความรู้เรื่องเล่นกีฬาผมเป็นนักกีฬามีเพื่อนฝูงเยอะแยะพุทบอลวอลเลย์บอลยิมนาสติกหลายอย่างในวิาลพระสงฆาเนี่ยจะมีสนามกีฬาทุกประเภทเลย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 ถ้าน่านเองผมก็เลยหันเหตชีวิตในช่วงนั้นมาปฏิบัติธรรมมันไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกก็มีวิธีการปฏิบัติธรรมนี่แหละเดี๋ยวจะบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ไปเลยแต่ว่าคนพิการเนี่ยเขาไม่ให้บวชหรอกตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยคิดเปลี่ยนจิตเป็นใจใหม่ไหนๆเราไม่ได้บวชแล้วเราบโอการที่จะได้บวชแล้วเราก็มาบวชใจซะเลยคนพิการเขาไม่ให้บวชทต่ร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเขาไม่ห้ามสามารถที่จะ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 ยังไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องความโกรธแค่ความรู้ก็ยังเอาชนะความโกรธไม่ได้ก็ อ, ออกจากความทุกข์ไม่ได้ก็ไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถาอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งวันหนึ่งโชคดีอ๋อปฏิบัติธรรมทาให้โชคดีนะผมนี่โชคดีมากตนนั้งแต่เริ่มปฏิบรรัติตามเริ่มมัดเหนชีวิตมาปฏิบัติธรรมเนี่ยความโชคดีต่างๆเนี่ยมีมากมายสิ่งที่เราเคยหวัง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 มันเป็นโอกาสดีที่ผมได้พาคุณพ่อไปอยู่ที่วัดกับผมด้วยห็นไ่มพาพ่อเข้าวัดคือคุณพ่อต้องไปดูแลผมผมช่วยตัวเองไม่ได้สกอร์มีก็มีคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นแ่ะที่ช่วยดูแลไปอยู่ที่วัดวันทีก็เปลี่ยนออาคุณแม่ไปอยู่บ้างคุณพ่อมา อ, อยู่บ้างคุณแม่ไปอยู่บ้างนะพาพ่อพาแม่เข้าวัดโดยที่ไม่ได้เจตนาว่าจะเป็นอย่างนี้มาก่อน โอ้คนที่เป็นลูกนี่ถ้าสามารถพาพ่อพาแม่เข้าวัดได้นี่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณนะตอบแทนบุญคุณได้ดีกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองที่ซ้ําไปที่วัดมีแต่ความสงบมีแต่บุญมีแต่กุศลเจพอพระกุญเจ้าเจอผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ทำวัดได้สวดมนต์เนี่ยเป็นสิง่งไว้ร้อนที่เป็นบุญกุศลให้กับพ่อแม่ทั้งนั้นเลยก็ได้มีโอกาสทําในส่วนนี้น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 มันนานแค่วันสวันแรกๆตอนนั้นเองเพอต่อไปเนี่ยมันจะไวมากใหม่ๆก็นับเรื่องเดือนอ่ออีกต้องสามเดือนต่อมาก็นับช่วงวันพระกันละดูใกล้สั้นลงทุกทีทุกทีผมจะบอกว่าเวลาที่บวชสามเดือนเนี่ยเวลาใช้เวลาไม่นานนะเดียวๆจริงๆแลในช่วงสามเดือนเนี่ยจะทํายังไงให้การบวชเนี่ยมีสาระมากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินที่จะ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 เนี่ยกวาดทำความสะอาดสาราเนี่ยถ้าทาอย่างเงี้ยพอในช่วงพัฒนาร่วมกันแล้วเนี่ยประมาณทักสี่โมงก็จะมีการชันน้ำปานะพร้อมๆกันเราจะรู้เลยว่าพระรูปไหนปฏิบัติรูปไหนไม่ปฏิบัติอ๋อพระที่ปฏิบัติก็จะสำรวมฉั้นแบบสำรวมไม่ค่อยได้พูดคุยนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของพระบทดใหม่จะไม่ค่อยคุกคลีจะสารวมฉันเรียบร้อย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 ซึ่งไม่บวกก็ก็ทําอย่างนั้นได้นะอยู่บ้างก็ทําอย่างนั้นโอ้แต่เดือดร้อนมากเลยทยํางไงสวดพระกรรมาฐานรีบเก็บตัวรีบเก็บตัวไม่ค่อยมาวุ่นวายแล้วจะไม่ทําวัดไม่บีทั บ, บาทไม่ฟังธรรมจะเก็บตัวเพื่อจะปฏิบัติให้เข้มงวดในขั้นสุดท้ายก่อนจะสึกขาลาเพศต่อไปพระที่ไม่ได้ปฏิบัติพระกรรมกรก็มาคุยว่าจะทำอย่างไรดีบอกท่านไม่ต้องทําอะไรหรอก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 ไม่ง่วงก็ฟุง้งเอาการทํางานเป็นเครื่องอยู่ถ้าเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยเดินหลับชนต้นไม้ไม่เป็นไรท่านมันชนต้นไหนท่านเดินตรงนั้นละ่ะเดินตรงนั้นละ่ะต่อไปมันจะไม่ชนอีกแล้วมันจะมีการระวังตรงไห น, นท่านกลัวท่านอยู่ตรงนั้นอ่ะไอความกลัวดีทําให้ท่านไม่หลับอ๋อไปเดินมันจะมีกุดกุดหนึ่งสูงมากเลยไปกุดใกล้ๆหน้าผาท่านเดินตรงเนี้ยรับรองท่านไม่หลับ หลับเนี่ตกหน้าฟ้าโอ้เดินสัมมรมระวังมากเลยมันจะมีความกลัวนะกลัวสติมันเกิดขณะที่ความกลัวถ้าท่านหลับเข า, านกระตกไปหยุ่งล่าง <c oughs> แก้ปัญหาง่วงนอนได้ตลอดทั้งพรรษาเนี่ยอาชนะความง่วงได้อย่างเดียวท่านภูมิใจมากโอ้บวชคราวนี้ประสบผลสำเร็จแล้วอาจารย์กําพลตัมมาอาชนะความง่วงได้โอ้ภูมิอกภูมิใจมากแค่ระยะเวลาแค่เ็วันนั่นเองถ้าเอาชนะความง่วงได้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 ประมาณสักบ่ายสองโมงเนี่ยเป็นเวลาประมาณเนี้ยท่านลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาเพื่อจะมาเอาน้ําถ้ามีกระติกน้ําใหญ่เป็นคุนเลื่อใหญ่มาตักน้ําท่านเดินมาถึงกลางทางเดิมยังมีสตินะก้าแต่ก้าเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกถ้าก็เห็นละมองแปลงหน้าเนี่ยเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งต้นกล้วยที่คอมันขาดนะ่ะเป็นต้นกล้วยที่ เหมือนถูกไฟไหม้ดำเห็นแต่ไกลแล้วโอ้มีต้นกล้วยถูกไฟไหม้อยู่คอขาดถูกไฟไหม้ท่านก็เดินไปพอใกล้สักประมาณสักห้าเมตรเนี่ยท่านตกใจเลยมันไม่ใช่ต้นกล้วยหรอกมันเป็นงูจงอางงูจงอางชูคอมาระดับศรีรษะท่านเลยพอเห็นว่าเป็นงูจงอางปั๊บท่านนิ่งดูที่งูถ้านบอกว่างูจงอางตัวเนี้ยถ้ามันอ้าปาก งับสีสาสนานสบายมากเลยตัวมใหญ่มากหัวมันเนี่ยประมาณถึงหกนิ้วความกว้างนะถ้าอ้าปากในงูไม่มีขานไกลใช่ไหะ ม, มันงับแล้วก็หัวท่านจะหมดเลยตอนแรกถ้าเกิดสติอ้อนี่เป็นงูจงอางหยุดชะงักต่อมาเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งงูจงอางให้น่ากลัวว่าถ้ามันอ้าปากงับแล้วก็ท่านจะต้อง เสียหัวไปกับงูนะก็มีสติเหมือนกันตอนนั้นแต่สู้ความกลัวไม่ได้ละท่านถอยหลังทีละก้าวก้าวแรกพระพุทธก้าวที่สองพระธรรมก้าวที่สามพระสงฆ์ช่วยใจไม่ได้หันหลังกลับเลยสวิ ญ, ญาหลวงพ่อโกยวัดไม่เดี๋ยวหลังวิ่งเนี่ยถงน้ำเนี่ยก็จะกระจายหมดเลยไปถึงกุฏิสติเกิดแบบเดียวพอปรุงแต่งปับ๊บความกลัวเล่นงานหมดเลยสติ น้ำก็ไม่ได้ทราบข่าวว่างูจงอางตัวเนี้ยที่วัดป่าสุกระโตเรียกว่าปู่จงอางปูจงอางไม่เคยทํำร้ายใครพอถึงเวลาบ่ายสองเขาก็จะลงมากินน้ำเหมือนกันเขาก็ร้อนเมืองงูจงอางตัวใหญ่มากวันหนึ่งยังเคยไปที่สวนเกษตรที่นั่นก็จะมีสวนเกษตรสรับแม่ชีไปทําสวนทําสวนแม่ชีจะไปปลูกผักวันหนึ่งกลาลังดายหญ้าทําสว น, นงูจงอางโผล่มาเยี่ยมเยียนแม่ชีทํายังไงรู้ไหมมือถือมีดอยู่เนี่ยวางมีดกราบ แล้วงูมันก็ไปมันไม่สนใจไม่เคยทำรายใายเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่เจอละงูจงอางตัว น, นั้นเพราเกามีการปลุกปุติมีเสียงดังเขาอยู่ไม่ได้ละปูจงอางแต่ที่สำคัญคือพระกุณจ้ารูปนั้นเนี่ยเห็นตัวเองเห็นจิตใจ็นใจตัวเองก็มาคุยว่าอัตมาเนี่ยปกติเวลาทำงานเนี่ยหรือเวลาเรียนเนี่ยจะใช้อารมณ์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 ไปห้ามกดต่างๆห้ามสูบบุรีห้ามต่างๆท่านไม่ชอบใจท่านโกรธลงแปลงล่างเลยไปรอดักที่จะทําร้ายพระรูนนั้นด้วยพอดีโชคดีพระลูนท่านเดินขึ้นกุฏิไปท่านไม่ลงมาข้างล่างท่านว่าถ้านลงมาข้างล่างเนี่ยอาตมาเนี่ยจะต้องถอดจีวรแล้วก็มีเรื่องมีลาวแล้วก็ศึกทันทีเลยอารมณ์ท่านร้อนมากถ้ารู้เลยบ่อ๋อเพราะว่าไอความร้อนลนเนี่ยมันมาจากความคิด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 ในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยแต่ละเวลาแต่ว่านาทีเนี่ยง่ายๆเลยพูนเจ้ามีอิเลียบทอยู่แล้วมีศีลอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วการเดินแต่ละก้าวแทนที่จะเดินเปล่าเปล่าปล่อยใจฟุ้งซ่านเราก็เดินแบบรู้สึกตัวไม่ได้ใช้ความคิดไม่ต้องท่อ ง, องก้าวแต่ละก้าวก็รู้สึกว่าเรากําลังเดิน<ๆ>กําลังเดินการนุ่งสบงคลองจีวรเราก็รู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่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 อย่าอยู่กับความฝันอยู่ความฝันคืออะไรคือเรื่องอดีตอย่าพักุลเจ้าพระหนุ่มหนุ่มน้อยๆอย่างเงี้ยเรื่องอดีตไม่ค่อยคิดล่ะคิดแต่เรื่องอนาคตสึกไปแล้วจะทําอย่างไรเริ่มต้นทําตรงนี้ก่อนเริ่มพิจาราคตแล้วเหลืออีกเจ็ดวันแล้วนับถอยหลังยิ่งนับบันรอนี่มันยิ่งนานนะมันยิ่งนานเพราะมันไม่ใช่ของจริงถ้าอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิต เดียวเดียวระยะหลังนี่ผมเข้าเรือนจำบ่อยไปพูดคุยกับผู้ต้องขังไปคุยกับผู้ต้องขังผู้ต้องขังจะนับวันร อ, อวันจะปล่อยนะวันนี้จะมีใครมาเยี่ยมไม้ยแล้วเราถูกปล่อยไปแล้วเนี่ยสังคมจะยอมรับหรือเปล่าแล้วอีกต้องหลายวันคือมองแต่อนาคตก็คือนักโทษอยู่ในอนาคต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 อันนี้เป็นเรื่องขัดใจทงนะแต่ที่จริงนะไม่ได้ขัดใจนะมันขัดกิเลสในใจเพราะพระกุณเจ้าตั้งใจมาบวชเนี่ยมีความตั้งใจดีแล้วใจดีแต่กิเลสน่ยมันไม่ค่อยชอบหรอกกิเลสมาเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครทําดีได้ง่ายหรอกมันจะขัดกิเลสเพราะฉะนั้นความขัดใจนั้นดีเรารู้จักเถอะนี่ยมันขัดใจมันกําลังขัดกิเลสเราแล้ ว, ลวขัดใจคือขัดกิเลสไอความถูกใจเนี่ยไม่ปลอดภัยนะ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 เราจะเข้าไปทํำลายเขาเ ข, าเขาก็จะสู้ถ้าเราเฉยๆหรือเราหนีเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่อารมณ์ก็เหมือนกันถ้ารู้ทันเนี่ยอารมณ์นั้นจะปรุงแต่งต่อไม่ได้เลยมันจะหยุดทันทีเป็นการเอาชนะแบบไม่ต้องห้างเขาเรียกเหนืออารมณ์เอาชนะอารมณ์ได้เท่ากับเอาชนะใจตัวเองได้เอาชนะใจตัวเองได้เท่ากับเอาชนะตัวเองใช่ไหมการเอาชนะตัวเองนี่คือเอาชนะใจตัวเองชนะไอ้ความ อยากความไม่อยากพวกนี้แหละเอาชนะโดยที่ไม่ทําตามแล้วก็จะชนะคนอื่นด้วยการเอาชนะใจตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากประเสริฐกว่าการเอาชนะคนอื่นการเอาชนะคนอื่นนั้นก็แลดูดีในภายนอกแต่ข้างในเนี่ยแพ้กิเลตตัวเองนะเพรอเกลเอตในใจอยากจะชนะอยากจะชนะเราทําตามเอาชนะเข้าได้แต่เราแพ้ใจตัวเองเขาเรียกแพ้กเกลเอตตัวเองเราไม่เข้าใจ เข้าใจคิดว่าเออเอาชานะคนอื่นเนี่ยคือใช้ได้แล้วแต่ไม่ใช่นะเราแพ้เกเรตัวเองสมมติว่าพวกคุณเจ้าขับรถขับรถแข่งกันมาแล้วเราแซงเขาได้เราแซงก็ได้เราภูมิใจแต่พอถึงทางโค้งเนี่ยเราไม่ทันแล้วหักโค้งเลยเหมือนกับอ่านเอาชานะผู้อื่นน่ะเอาชานะคนอื่นได้เนี่ยเราก็ตกทางโค้งคือแพ้เกเรตัวเองตรงนี้แหละคือสาระสําคัญเลยนะเพราะนั้นชีวิตไม่ได้อยู่เฉพาะปัจจุบันนี่หรอก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 คิดฟุ้งซ่านแต่พอมีธรรมะมีการจริตสติจิตใจก็ไม่ฟุง้งฟรานแล้วดึงจิตดึงใจงอยู่กับเนื้อกับตัวได้สบายเลยอุปสรรคต่างๆความทุกข์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันช่วยมันช่วยทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ช่วยตัวเองรู้จักการรอคอยรอคอยคอยคนอื่นมาช่วยเราบางครั้งการรอเนี่ยมันงิดเมื่อไหร่เขาจะมาช่วยเราทีเมื่อไหร่จะมาช่วยเรายิดมากเลย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 มันช่วยสอเราเป็นครูสอนเราได้อย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างแล้วก็ได้ทําประโยชน์ด้วยเพราะคุณเจ้าก็อาศัยรูปแบบของการบวชเนี่ยเป็นรูปแบบในการฝึกผมนี่อาศัยรูปแบบของความทุกข์ <c oughs> อุปสรรคต่างๆเนี่ยฝึกจิตฝึกใจร่างกายฝึกไม่ได้หรอกมันก็พัฒนานได้แค่นี้แหละถ้ามันหายก็เดินไปนานแล้วนี่มันฝึกไม่ได้ฝึกใจไม่ต้องเป็นทุกข์กับอารมณ์ที่มากระทบได้ความรู้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 แล้วก็จะมีความสุขอยูยังมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันของเราอย่างนี้แหละ